ก็ความสุขความเจริญจุงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายเสียงธรรมจากมหาวิธไลศีประทุมกำลังนำเสนอพระสูตรในศีละขันธวัคทีคณิกายสืบเนื่องมาโดยลำดับวันก่อนก็ได้จบที่สุพัสูตรซึ่งในตอนสุดท้าย สุภามานพก็แสดงถึงความศรัทธาเลื่อมใสที่ได้กวางธรรมะถึงรานนเทระได้แสดงและยกย่องสันเซินพระธรรมเทศนาโดยนัยยะอย่างที่เคยสันเรินต่อพระพุทธเจ้านั่นเองคือแบบเหมือนการหายของที่คว่มเปิดของที่ปิดบอกทางแก่คนลงทางสองประทีปในที่มืด โดยหวังว่าคนมือยดวงตาจะเห็นแสงสว่างและจากนั้นท่านก็ประกาศตนเป็นอุบาสกถึงพระรัตนตรัยตลอดชีวิตคือการประกาศตนเป็นอุบาสกถึงพระรัตนตรัยตลอดชีวิตถ้าหากว่าแสดงต่อพระพักรพระพุทธเจ้า ก็จะกล่าวว่าข้าพเจ้าขอถึงซึ่งพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ว่าเป็นชนาที่พึ่งเจริลึกขอพระผู้มีพระภาคโปรดทรงจําข้าพเจ้าว่าเป็นอุบาสกตลอดชีวิตแต่ว่าตอนที่แสดงกับพระอาน์ น, นั้นพระเจ้านิพานแล้วมันก็เติมข้อความขึ้นมาว่า เอสาหั่งพันเตสุจิระปรินิปุตัมปิตังภควันตังสนังกัจฉามิธรร ม, มันจะปิกุสังคันจะอุปาสกมังสังโฆทาเรตุอัจตักเยปานุปเปตังสนังกัตังเปลว่ขาข้าพเจ้าขอถึงซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าแม้สเสด็จประนิพานนานมาแล้วพร้อมด้วยพระธรรมและพระสงฆ์ว่าเป็นสนาที่พึ่งจีลึก ขอให้ประสงค์จงจำข้าพเจ้าไปว่าเป็นอุบาสกตลอดชีวิตถึงก็ความเหล่านี้ในปัจจุบันเราก็นำมาใช้ในการแสดงตนเป็นพุทธมามากะพุทธมามิกาก็เริ่มตั้งแต่สมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงทรงเจ้าคว้ามหาวิจรุนัหิตก็เป็นพระมาตุลาคือลุงของในหลวงนั่นเองไปศึกษาต่อที่ต่างประเทศก็ทรงไป่น่วงว่าเจ้าคว้าจะไปฝักไฝ่าาศาสนาอื่นหรือไปยุ่งเกี่ยวกับหญิงอื่นก็ให้ประกาศตนเป็นอุบาสก ในพระพุทธศาสนาก่อนที่จะไปก็เป็นประเพณีที่ดีงามมากๆแต่ว่าคนในยุคสมัยหลังก็ไม่ได้ใส่ใจในเรื่องเหล่านี้ก็ไม่มีการกระทำกันโดยทั่วไปอาจจะมีการกระทำอยู่บ้างแต่ว่าไม่เป็นข่าวเลยก็ไม่รู้กัน ก็อย่างที่บอกว่าพระสูตรในทีกานิกายนั้นเป็นพระสูตรค่อนข้างยากเพราะว่านักปราชญ์นอกพระพุทธศาสนามากราบทูลสนทนากับพระพุทธเจ้าก็หมายความว่าเขาจะสอบถามเรื่องที่เขาสนใจ ใ, ใส่ใจเรื่องนั้นบางเรื่องมันก็เกินวิสัยที่เราจะไปพิสูจน์ทดสอบ นอกจากเราจะใช้ความเชื่อแต่ในขณะเดียวกันมันก็ให้ปัญญาแก่เราในการที่เห็นความมหัศจรรย์ของพระรัตนกรัยพ่ามีจุดเด่นเป็นพิเศษอีกเป็นนาเนกอ น, นันต์ที่ตามปกติเราก็ไม่นำมาเสนอกันหรอกเพราะว่าเป็นคุณสมบัติของท่าน แต่ว่าการบรรยายในเชิงพระสูตรเนี่ยมันเป็นการบีบบังคับตัวเองว่าพระสูตรทรงแสดงว่าอย่างไรอัตถกาถาอธิบายอย่างไรเนี่ยเราก็ต้องว่าไปตามนั้นจะไปอธิบายในเรื่องอื่นซึ่งไม่เชื่อมโยงกันมันก็ไม่ได้ ที่สำคัญอย่างยิ่งการอธิบายเป็นสูตรมันก็มีลักษณะคล้ายๆกับโปรสอนหนังสือในโรงเรียนก็หมายความว่าต้องอ่านต้องอ่านตัวบทซะก่อนแล้วครูก็อธิบายขยายความด้วยปากเปล่าซึ่งผิดกับการบรรยายทั่วไปมันเป็นการประสมผสานกันทั้งหมด เรารวบรวมเนื้อหาต่างๆที่เกี่ยวกับเรื่องนั้ น, น, นมาร้อยเรียงให้เป็นเรื่องเป็นราวในกรณีเหล่านั้นผลเสรีภาพในการคิดมันก็คิดได้แต่ให้ยุติได้เหตุผลในความดีก็แล้วกันแต่ประสูตรแปลที่บายอย่างนั้นไม่ได้ผนท่านฟังจะสังเกตว่าประสูตรที่บรรยายไป เวลานี้เป็นเรื่องที่บรรณกรนี่ค่อนข้างตกใจลูกศิษย์เขาไปทำพระสูตรที่มาบรรยายไว้กรวมถึงที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งนี้ถามาเขาได้มาอย่างใดเขาบอกว่าอัดไว้จากวิทยุปรากฏว่ามีถึงเจ็ดร้อยกว่าสูตร ก็ททำเป็นกล่องรวมแล้วก็ 10, ก700สิบแผ่น d ดีก็เจ0ดร้อยบาสุดก็มีความตั้งใจเสียสละมากก็ใช้าจ่ายเองเอาก็จริงแล้วกล่องหนึ่งก็รวมสองร้อยบาทก็จะช่วยค่าใช้าจ่ายเขาก็ไม่ยอมเขาบอกเขามีกำลังที่จะทำเอง แล้วก็ร่วมมือกันสองคนสามีพัญญาไม่มีลูกไม่มีเต้าทุกๆเสาเนี่ยเขาจะมาฟังการบรรยายธรรมะในช่วงบริหารจิตแล้วก็ในช่วงบรรยายพระสุทั้งสองช่วงเขาก็อัจเทพไว้ก็มีความตั้งใจที่จะทำให้ครบพัน ก็เป็นกุศลาหารที่น่าทึ่งแต่ก็ยังมองเหมือนกันว่าไอ้พระสูตรตั้งเจ็ดร้อกว่าสูตรที่เราแจกไปแล้วมันจะมีคนฟังเดอ้อแล้วฟังจะดีวิดีที่จริงก็ค่อนข้างยากมาฟังไม่เป็นฟังก็ฟังเลยไปเลยคือไปหยุดตรงไหนไม่ได้เพราะหยุดมันถอยกลับที่เดิมทุกทีแต่เขาบอกว่ามันหยุดได้ทีละชั่วโมง เพียงแต่ว่าเรายังใช้เครื่องไม่เป็นแต่นันเองก็โอกาสต่อไปก็คงจะสามารถถามได้ก็เวลานี้จำนวนไม่มากหรอกแต่ว่าแต่ญาติโยมผู้ฟังเกิดสนใจแล้วก็ต้องการจะฟังจริงๆนะฮะต้องการจะฟังจริงๆมีเวลาว่างพอต้องการจะฟังจริงๆ ก็มาขอารับไปได้ที่กุติที่วัดวอรในเบทวิหารนี่ก็เป็นเรื่องแทรกเข้ามาประสูตรต่อไปนั้นเป็นเรียกว่าเกวัตสูตรเป็นสูตรที่ว่าด้วยคำถามของพรหม์อีกละจิวเกวัตพรหม์คราวนึ่งพระพุทธเจ้าเสด็จอยู่ที่ปาวาริกาวัน ในเมืองานาลันทาเป็นสวนมะม่วงของปาวาริกะเศรษฐีใกล้เมืองนาลันทาเกวัตตบุตรเครื่องบอดีได้เข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าทั้งชีประทับแล้วก็แต่กราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้า วา่าแต่พระองค์เมืองนาลันทา น, นี้เป็นเมืองมั่งคั่งสมบูรณ์มีผู้คนมากคับข้างด้วยมนุษย์เลื่อมใสในพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นอย่างยิ่งขอประทานพระโรกาดขอให้พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงมัญชาให้ภิกษุรูปหนึ่งจัดทำปฏิหารอันเป็นธรรมจะยิ่งยวดของมนุษย์ได้ โดยการอย่างนี้เมืองราลันธาจากเลื่อมใสในพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นอย่างยิ่งที่จะประมาณได้คือตามปกติแล้วเรื่องอิทธิปาฏิหาริ์เนี่ยมันก็มีอยู่โดยสถานะของพระพุทธเจ้าคือปาฏิหาริ์นั้นมันมีอยู่สามปาฏิหาริปา์ประการอย่างหนึ่งเรียกว่าอิทธิปาฏิหาริ์คือแสดงฤทธิ์ได้ แนวที่เคยอธิบายมาแล้วในเรื่องของอิทธิวิธิกับพวกมโนมยิทธิเนี่ยแสดงในสิ่งที่เหนือวิสัยของสามั ญ, ญชนออกไปได้ประการที่สองก็คืออเทศนาปฏิหารรู้ใจรู้ภาวะของจิตบุคคลที่ปรากฏอยู่ในสถานที่นั้น วันในขณะนี้สภาพจิตก็เป็นยังไงมีราคะมีโทสะมีโมหะไม่มีราคะไม่มีโทสะไม่มีโมหะอะไรก็รู้หมดเขาคิดยังไงก็รู้ตามชี้เขาคิดในขณะนั้นๆแต่ความคิดของมนุษย์มัก็เปลี่ยนแปลงเรื่อยนะฮะแต่ก็รู้เท่าทันตามความเป็นจริงในแต่ละขณะซึ่งตามปกติแล้วพระพุทธเจ้าก็ทรงชายอยู่เรื่อย แต่ว่าคนก็ไม่รู้หรอกว่าในการเทศนาแต่ละครั้งเนี่ยพระพุทธเจ้าจะใช้อาเทศนาปฏิหารกับอนุสาสนีปฏิหารทีนี้อเทศนาปฏิหารมันเป็นเรื่องปรากฏแก่จิตของพระองค์เองรู้ว่าระจิตของคนอื่นแต่ไม่เป็นนามธรรมทั้งหมดคือจิตคนอื่นก็เป็นนามธรรมและจิตของพระองค์พระทยัยของพระองค์เองก็เป็นนามธรรม คนนอกมันก็รู้ไม่ได้จะรู้ได้ก็ในกรณีของอนุสาสนีปฏิหารคือความมาสจั์แห่งพระธรรมคำสอนที่ทรงแสดงสดรับกับพื้นฐานของผู้ฟังในขณะนั้นๆคราขนี้ก็เป็นสิ่งที่ปรงแสดงได้ทีนี้การที่เกวัตตบุตรการที่เกวัตตบุตรมา กระทูใน พ, พระพุทธเจ้าขอให้ภิกษุน์นะฮะคือไม่ใช่ให้พระพุทธเจ้าแสดงเองก็เพื่อพิสูจน์ว่าในธรรมะนี่ก็มีปาฏิหารในประสงค์เองก็มีปาฏิหารในพระพุทธเจ้าเองก็มีปาฏิหารมันก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ค่อนข้างแปลกนะฮะคือขอแสดงปาฏิหารเนี่ย พระเจ้าก็รับสั่งว่าลูกกรเกวัตตะเราไม่ได้แสดงธรรมแก่ภิกษุทั้งหลายอย่างนี้ว่าพวกเธอจงทรรมอิทิปริหารอันเป็นธรรมยิ่งยวดของมนุษย์แก่คฤหัสผู้นุ่งขาวห่วมขาวเกวัตตะบุตรก็ได้กระทูลพระผู้มีรภาคเจ้าเป็นคำรบสองว่า ถ้าพระองค์ไม่ได้เจาะจงพระผู้มีพระภาคเจ้าเพียงกราบทูลอย่างนี้ว่าข้ะแต่พระองค์ผู้เจริญเมืองนารันทานีเป็นเมืองมั่งคั่งสมบูรณ์มีผู้คนมากครับขั่งไปด้วยมนุษย์เลื่อมใสในพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นอย่างยิ่งขอประทานโอกาสขอพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงบัญชาให้ภิกษุรูปหนึ่งที่จักกระทำ อีกที่ปาฏิหารอันเป็นธรรมยิ่งยวดของมนุษย์ในการอย่างนี้เจะเมืองนาันทาก็จะเริ่มใส่ในพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นอย่างยิ่งสุดที่จะประมาณได้ก็แม้ครั้งที่สามก็กล่าวอย่างนั้นดังนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ตรัสว่าดุก่อนเกวัตปาฏิหารมีสามอย่าง เราทำให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งด้วยตนเองแล้วจึงประกาศให้รู้แปลงปฏิหารสามอย่างก็คืออิทธิปฏิหารอาเทสนาปฏิหารนุสาสนิปฏิหารที่กล่าวแล้วนั่นเองเรรับสั่งอธิบายลักษณะของอิทธิปฏิหารว่าพิสูจนในธรรมในนี้ย่อมแสดงดิษได้หลายอย่าง คือคนเดียวเป็นหลายคนก็ได้หลายคนเป็นคนเดียวก็ได้ทำให้ปรากฏก็ได้ทำให้หายไปก็ได้ถ้าลูกฝาถาลุกกำแพงภูเขาไปก็ได้ไม่ติดขัดเหมือนไปในที่ว่างก็ได้ผุดขึ้นดำลงในแผ่นดินเหมือนในน้ำก็ได้เดินบนน้าโดยน้าไม่ได้แยกเหมือนเดินบนดินก็ได้นั่งบันลังห่อไปในอากาศเหมือนนกก็ได้ ลูกคมพระจันทร์พระอาทิต์ซึ่งมีฤทธิ์เนื้อภาพมากก็ได้ใช้อำนาจทางกายไปตลอดพรหมโลกก็ได้หมายความมาทรงอธิบายในฐานะของอิทธิวิธิคือแสดงฤทธิ์ได้วันนี้ก็คือเป็นอิทธิปาฏิหารคือแสดงฤทธิ์ได้ติสุก็ทำได้พระพุทธเจ้านะันทำได้แน่นอนอยู่แล้ว แต่ก็อย่างที่บอกนะว่าแนวอิทธิปฏิหารเนี่ยมันมันมีสมัยโบราณเขาเรียกมายาวีคือเป็นกลน่ะเป็นพวกเล่นกลทั้งหลายเนี่ยบางทีเวลาเนาแสดงมันก็แยกไม่ออกคนต่วไปก็แยกไม่ออกว่าอันนี้เป็นกลหรือว่าเป็นฤทธิ์แล้วก็เป็นเรื่องเฉพาะตัวคนนั้น ยังพวกนักมายากลเนี่ยแกเก่งยางไงแกก็เก่งข อ, องแกคนเดียวแต่ก็ไม่มีหลักประกันทางศีลธรรมจะมีข่าวว่านักมายากลใหญ่เกิดมีปัญหาทางเพศกับลูกน้องแล้วก็ตอนนี้ก็ตกต่ำพ่ายไปเพราะฉะนั้นตามปกติแล้วถ้าไม่จำเป็นจริงๆพระพุทธเจ้าจะไม่แสดงในแนวอิทธิปาฏิหาร เพราะคนจะไปยึดติดในตัวคนแล้วก็ยึดติดในอิทธิปฏิหารซึ่งมันเป็นเรื่องเฉพาะตัวคนและคนที่ได้เห็นก็ไม่ได้ ด, ไดีได้อะไรขึ้นมาหมายความมันคงแสดงไม่ได้เหมือนเดิมเพราะว่าท่านไม่ได้ลงมือประพฤติปฏิบัติจึงไม่โปรดในการแสดงเว้นไวแต่ในกรณีที่มันจําเป็นจริงๆ ก็รับสั่งว่าผู้มีศรัทธาเลื่อมใสบางคนเหตุพิสูจน์นั้นแสดงฤทธิ์ได้หลายอย่างก็โดยในย่าที่กล่าวแล้วเนี่ยคนที่มีศรัทธาเลื่อมใสนั้นจะบอกแก่คนที่ไม่มีศรัทธาไม่เลื่อมใสคนใดคนหนึ่งว่าหน้าชัดเจจริงหน้าพิศว์จริง การที่สมณะมีฤทธิ์มากมีอนุภาพมากข้าพเจ้าได้เห็นพิะสุรูปหนึ่งแสดงฤทธิ์ได้อย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นพอพูดออกไปเดี๋ยวมันเกิดปัญหาทันทีเลยเพราะคนฟังที่ไม่ได้เห็นก็เยอะแต่ที่เห็นแล้วเนี่ยก็เยอะทีนี้การแสดงในลักษณะนี้อย่าลืมว่าคนมันแบ่งออกเป็นหลายฝ่าย ฝ่าที่ศรัทาเลื่อมใสอยู่แล้วจะสัตจะแสดงปฏิหารหรือไม่แสดงปฏิหารเขาก็นับถืออยู่แล้วทีนี้คนบางพวกที่ศรัทธาเลื่อมใสยังไม่มั่นคงเมื่อแสดงปฏิหารออกไปเขาก็อาจจะเกิดศรัทธาเลื่อมใสมากยิ่งขึ้ น, นบางคนก็เหมือนเดิมบางคนก็เครือบแคงสงสัยว่าเอ๊นี่มันเป็นมาอยากลหรือว่า เป็นแกงหลอกลวงต้มตุลกันแน่ความพวกที่เป็นคัตสึ ก, กก็อธิปักคือจบดีเลยหมายความมาแสดงอิทธิฤทธิ์ตีหนึ่งหนึ่งเป็นเหตุให้คนทำบาปเยอะคือพระพุทธศาสนาไม่ได้อนุเคราะห์เฉพาะพุทธศาสนิกชนเราไม่ได้ใส่ใจว่าใครเป็นใคร แต่ว่าการทําะไรอันใดที่สามารถเป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่บุคคลหรือได้เราก็ทําก็จบแค่เราทําส่วนเขาจะมีปฏิกิริยาตอบสนองอย่างไรก็เป็นเรื่องของเขาไม่ได้เกี่ยวกับทีนี้เราจะเห็นว่าคนที่ไม่มีศรัทธาไม่เลื่อมใสจะพึงกล่าวกับคนที่มีศรัทธาเลื่อมใสยอย่างนี้ว่าเพราะคุณมีวิชาอย่างหนึ่งชื่อคันธารี ภิสูรุปนั้นแสดงได้หลายอย่างโดยวิชาชิวคันธารีนั้นดุก่นเกวัตท่านสำคัญความข้อนั้นเป็นฉนยัยคนไม่มีศรัทธาไม่มีความเลื่อมใสนั้นจะพึงกล่าวอย่างนั้นแต่คนที่มีศรัทธาเลื่อมใสนั้นบ้างใหม่เกวัตก็ยอมรับพระเจ้าก็รับสั่งว่าเราเห็นโทษในที่ปฏิหารอย่างนี้แหละจึงอึดอัดระอารังเกียจอิที่ปฏิหาร จากนั้นก็รับสั่งว่าเกวัตเขาอาาาธิษฐานปฏิหารเป็นไงภิสูจในธรรมในนี้ย่อมทายใจถ่ายความรู้สึกในใจถ่ายความตรึกถ่ายความครองของสัตว์อื่นของบุคคลอื่นได้ว่าใจของท่านเป็นอย่างนี้บ้างใจของท่านเป็นไปเดือการอย่างนี้บ้างจิตของท่านเป็นอย่างนี้บ้าง บุคคลบางคนมีศรัทธาเลื่อมใสเห็นภิกษุนั้นถ่ายใจถ่ายความรู้สึกในใจถ่ายความตึกถ่ายความตรองของสัตว์อื่นบุคคลอื่นได้ว่าใจของท่านเป็นอย่างนี้บ้างใจของท่านเป็นโดยอาการอย่างนี้บ้างจิตของท่านเป็นดัางนี้บ้างคันแล้วผู้มีศรัทธาเลื่อมใสก็บอกแก่คนที่ไม่มีศรัทธาเลื่อมใส คนใดคนหนึ่งว่าพ่อหมาจําเริญน่าสะใจ น, น่าพิศวงค์ที่สา ม, มัญะมีฤทธิ์มากมีอนุภาพมากข้าพเจ้าได้เห็นภิกษุรูปนี้ถ่ายใจถ่ายความรู้สึกในใจถ่ายความตรึกถ่ายความตรองของสัตว์อื่นของบุคคลอื่นได้ว่าใจของท่านเป็นอย่างนี้ใจของท่านเป็นโดยอาการอย่างนี้จิตของท่านเป็นอย่างนี้ครั้นแล้วผู้ไม่ศรัทธาไม่เลื่อมใสยจะพึงกล่าวกับภิกษุผู้มีศรัทธากับผู้มีศรัทธาเนี่ย มีเป็นความเรื่มสยว่าพ่อคุณมีวิชาอย่างหนึ่งชื่อว่ามัชิกาคือเป็นเป็นมนนิกานะฮะเป็นเป็นคล้ายๆกับจินดามณีอ่ะคือหมายความว่าถ้าใครครอบครองวิชานี้อยู่มีแก้วแล้วก็มีมนที่สาตยาย ตั้งจิตกำหนดรู้ความคิดของบุคคลหรือเขาก็รู้ได้เหมือนกันทีนี้เมื่อต่างฝ่ายต่างรู้ได้เนี่ยอะไรเป็นผลของญาณอะไรเป็นผลของปาฏิหาริย์อะไรเป็นผลของมานิกาคือวิชาแก้วมานิกาเนี่ยในสุดคนก็จะดูหมิน่นวอ้อย่างงี้แก้วมานิกาเขาทําได้ผูที่จบมนแก้วมานิกาเนี่ยเขาก็ทําได้มันก็จะเกิดเป็นความขัดแยง้ง มีการถกเถียงกันแล้วก็ดึงประเด็นออกไปไกลมานิการนั้นถ่ายใจถ่ายความรู้สึกในใจถ่ายความตรึกถ่ายความตรองของสัตว์อื่นของบุคคลอื่นได้ว่าใจของท่านเป็นอย่างนี้ใจของท่านเป็นไปโดยอาการอย่างนี้จิตของท่านเป็นดังนี้โดยวิชาชื่อว่ามานิการนั้นแล้วสั่งว่าเกวัตท่านจะสำคัญความข้อนั้นเป็นฉนไนคนผู้ไม่มีศรัทธาไม่เลื่อมใส จะพึ่งกล่าวกับผู้มีศรัทธาเลื่มใสอย่างนี้บ้างหรือไม่พระวัดก็ต้องยอมรับความจริงนะว่าโลกมันก็เป็นอย่างนั้นแหละคือคนจะทำให้คนก็เชื่อหมดเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้คนก็คือคนความแตกต่างในคนมันเป็นนิรันดร์เราลองนึกดูว่าข น, นาด สัพพัญยูอารหันต ส, สัมมาสัพพุทธเจ้าเกิดขึ้นและอยู่ในชมพูทวีปตั้ง45ปีโอ้เป็นนาทีทองนะเป็นโอกาสทองแล้วไม่ใช่เร็วๆมันอยู่ตั้ง45ปีแต่คนที่เป็นวิชาที่ทีก็ยังเกลื่อนชมพูทวีปอยู่คนที่มีความคิดเป็นปฏิปักษ์ก็ยังเกลื่อนชมพูทวีปอยู่ คุณที่ประสงค์ร้ายกล่าวหาใส่ร้ายป้ายสีหาเรื่องสารพัดเกิดขึ้นนั่นคือคนมันก็คือความแตกต่างของเขาวัสนาบารมีจริตอัธยาศัยพื้นฐานที่แต่ละคนสร้างมานั้นยังไงยังไงมันก็ไม่เหมือนกันมันทำอะไรก็ทำเถอะแต่อย่าคาดหวังว่าคนทั้งหลายจะเชื่อ มันต้องมีคนไม่เชื่ออยู่อย่างคืนก่อนใน ด, ดูรายการที่เกี่ยวกับศาสนาหลายรายการเนี่คือเราฟังแล้วมีความรู้สึกว่ามันเป็นการกระตุ้นโลภามากไปเเป็นการแสดงธรรมเพื่อ น, น้อมเข้ามาหาตัวเอง แล้วก็กดปุ่มไปดูอีกรายการหนึ่งเจอเรื่องการเมืองก็พูดโน้มน้าวพวกบริวารบริษัทบริวารที่กำลังห้อมล้อมเนี่ยให้เกิดสำนึกเสียสละที่บริจาคเงินให้แก่องคอ์กรเ้วขอแรงนะครับเออว่า ไอปฏิปทาที่เป็นไปเพื่อลาบสั ก, การะชื่อเสียงเนี่ยมันทมได้ง่ายแต่ปฏิบปทาปฏิบัติเพื่อจางเพื่อครายเพื่อลดละเพื่อบรรเทาไม่ได้ตั้งคำถามว่าเราจะได้ประโยชน์อะไรแต่ก็คิดว่าเขาจะได้ประโยชน์อะไรเราก็จิงมหายากนะยิ่งในโลกปัจจุบันแล้วเราก็มีความชัดเจน คือพอเรามาอยู่ในแวดวงตรงนี้เราก็เห็นว่าเรื่องบางเย่งเรื่องมันก็ไปเป็นไปตามเหตุการณ์ของมาันอย่างที่ทันแสดงไว้ว่าอันความกรุณาปราณีจะมีใครบังคับก็หาไม่หลังมาเองเหมือนฝนนั่นชื่นใจจากภาคฟ้ า, าสุราลัยสุดแดนดินพืนคราวมันจะตกมันก็ตก ถึงราจะตกมันก็คือไม่ตกก็ปล่อยมันไปเราก็ไม่ได้ไปคาดหวังอะไรแต่เราก็ได้ทํางานก็พอแล้วทำหน้าที่ที่เป็นภิกษุเป็นคนเป็นวัสสุเป็นอุปัติการนี่ก็พอแล้วถ้าไปคิดผลตอบสนองกันอยู่แล้วเมื่อไม่มีการตอบสนองมันก็เกิดโศกะเกิดโทุก์สั แล้วก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรคือคนเรามันต้องมีจุดจบของมันภารกิจของเราก็มีเท่าเนี้เราทําภารกิจของเราให้ดีก็คือจบต่อไปเขาเป็นอย่างไรนั้นก็เป็นเรื่องของเขาคือเราไม่สามารถจะตามไปที่แนบบอกกล่าวอะไรแก่เขาได้ก็ต่อไปหนูศาสนีปฏิหาร รับสั่งว่าดุกรเเกวัตตะภิกษูนธรรมินัยนี้ย่อมพร่ำสอนอย่างนี้ว่าท่านจงตรึกอย่างนี้อย่าตรึกอย่างนั้นจงใส่ใจอย่างนี้อย่าใส่ใจอย่างนั้นจงละสิ่งนี้เข้าถึงสิ่งนี้อยู่ดุกรเเกวัตตะนี้เรียกว่าอนุสาสนีปฏิหารแล้วก็รับสั่งว่าดุกรเเกวัตตะก็อื่นยังมีอยู่อีก พระตถ า, าคต อ, อุบัติขึ้นในโลกนี้เป็นพระหันศัตรีศัตรูชอบโดยพรองเองส่งสม บ, บูรณ์วิชาในจรณนะะเสด็จไปดีแล้วเป็นผู้รู้แจ้งโลกเป็นสารถีที่ฝึกคนได้อย่างยอดเยี่ยมไม่มีสารถีอื่นจะยิ่งไปกว่าเป็นาศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นผู้รู้เป็นผู้ตื่นเป็นผู้เบิกบาน เป็นผู้มีโชคเป็นผู้จะแนกแจกจ่ายธรรมเป็นผู้ประกอบเลยพระกาธรรมแล้วก็ทรงแสดงอย่างพระสุกก่อนกอ น, นี่นแหละก็เรื่อยมาจนมาถึงการบรรลุของภิกษุจนถึงเกิดเป็นญาณทัศนะขึ้นมาคือความรู้ความเห็นที่ถูกต้องขึ้นมา ก็เมื่อจิตมันมาถึงจุดที่เรียกว่าเป็นสมาธิป่องใสไม่มีกิเลสปราศจากกิเลสเป็นจิตอ่อนโยนพร้อมที่จะน้อมไปเพื่อรู้และความรู้ก็ผุดขึ้นและปฏิหารมันก็ตามมาปฏิหารเราจะเห็นว่ามันก็เป็นช่วงแต่ละช่วงของวิชาแปดประการ คือทีปฏิหารมันก็คือมโนโมยิทธิกับอิทธิวิธิอเทศนาปฏิหารก็คือเจโตปริยานอนุสาสนีปฏิหารเนี่ยมันก็คือทุกยานนั่นแหละเพราะว่าเวลาแสดงส่งแสดงธรรมะในแต่ละ ก, กรณีมันก็เชื่อมโยงกับประยานเหล่านั้นเพราะฉะนั้นไอ้สิ่งเหล่านี้มันก็ เกิดขึ้นแก่ใครก็ได้แล้วก็รับสั่งถึงเรื่องความปริวิตตกที่เกิดขึ้นภายในใจของภิกษุว่าดูก่อนเกวะตะเรื่องเคยมีมาแล้วความปริวิตตกทางใจได้เกิดขึ้นแก่ภิกษุรูปหนึ่งในหมู่ภิกษุนี้เองว่าหมาปาปูตะรูปสี่กระดินน้ำลงไฟอากาศ ดินน้ำลงไฟนะฮะบาลีท่านเรียกว่าดินน้ำไฟลมแต่เราก็พูดคล่องปากแบบไทยอ่ะดินน้ำลงไฟย่อมดับไม่มีเหลือในที่ไหนหนอพิสูนั้นก็เข้าสมาธิชนิดที่เมื่อจิตตั้งมั่นแล้วไปสู่เทวโลกก็ปรากฏได้ กันแลพิสูนก็ข้าไปหาเทวดาชั้นจตุมาราชถึงที่อยู่ก็ได้ถามพวกเทวดาเหล่านั้นว่าท่านทั้งหลายมหาภูตารูปสี่ก็ดินน้ำลงไฟอากาศเหล่านี้ย่อมดับไม่มีเหลือในที่ไหนดุก่อนเกวตตะเมื่อพิสูจนเหล่านั้นกล่าวอย่างนี้เทวดาชั้นจตุมาราชจึงกล่าวว่าแม้พวกข้าพเจ้าก็ไม่ทราบที่ดับ ที่ไม่เหลือแห่งมหาภูตรูปคือดินน้ำไฟหลมเหมือนกันแล้วก็ต่อไปเรื่อยนะฮะไปหมาราเท้าจจตุมาลาคือไปถามเทวดาทุกชัน้นพูด ง, ง่ายๆ่างนะั้นอะไปถามเทวดาทุกชัน้นไปจนถึงพระนิมิตวัดสวัสดีแล้วก็รับสั่งล่าว่า ลูกกเกวัตตะครั้งนั้นภิกษุเข้าไปหาวสสวสดีเทพประบุตรแล้วกล่าวว่ามหาปถรภูตรูปสี่คือดินน้ำไฟลมเหล่านี้ย่อมดับไม่เหลือในที่ไหนเมื่อภิกษุกล่าวอย่างนี้วสสวสดีเทพประบุตรได้กล่า็ตอบว่าแม้ข้าพเจ้าก็ไม่ทราบ แต่ยังมีพรหมเทวดาชั้นพรหมกายิกาที่รุ่งเรืองกว่าวิเศษกว่าเทวดาพวกพวกเราเทวดาเหล่านั้นคงจะทราบีิสุนั้นก็ได้เข้าสมาธิดโดยที่เมื่อจิตตั้งมั่นแล้วได้ไปสู่พรหมโลกก็ไปตามลำดำับก็ถามไปเรื่อยเช่นเดียวกันแหละแต่ในที่สุดก็ ไปถึงมหาพรหมว่าบัดนี้ถ้ามาพรหมนั้นอยู่ที่ไหนแม้พวกข้าเจ้าก็ไม่รู้ที่อยู่ของมาพรหมจากนั้นมาพรหมนั้นก็ได้ปรากฏภิกษุก็เข้าไปหามหาพรหมแล้วกล่าวว่าท่าทั้งสี่เนี่ยเหล่านี้ย่อมดับไม่เหลือในที่ใดเมื่อภิกษุ กล่าวอย่างนี้แล้วท้ามาพรมพก็กล่าวตอบว่าครับเจ้าเป็นมาพรมเป็นเป็นพรมเป็นมาพรมเป็นผู้ยิ่งใหญ่เป็นบิดาของหมูสัตว์ก็เรียกว่าคนละเรื่องเดียวกันก็ถามอีกเรื่องหนึ่งท่านก็ตอบอีกเรื่องหนึ่งพิสุก็บอกว่าข้าพเจ้าไม่ถามอย่างนั้นแต่ถามว่าไอ้มาพูตรูปทั้งสี่เนี่ยมันดับในที่ไหนมาพรมพก็ โดยจะเสียเชิงจับแขนภิกษุนั้นแล้วไปกระซิบบอกว่าท่านภิกษุพวกเทวดาพรหมกายิกาเหล่านี้รู้จักข้าพเจ้าว่าอะไรอะไรที่พรหมไม่รู้เนี่ยไม่เห็นไม่เข้าใจไม่แจ่มแจ้งในนั้นไม่มีข้าพเจ้าจึงไม่ตอบต่อหน้าเทวดาเหล่านั้นว่าข้าพเจ้าก็ไม่ทราบ ติดดับไม่มีเหลือแห่งหมาปูต ร, รูธทั้งสี่คือดินน้ํำลงไฟเหมือนกันเพราะฉะนั้นการที่ท่านละเลยพระผู้มีพระภาคเจ้าเสร็จแล้วแกมาถึงหมาพรมนะครฟังอยู่ใกล้พระพุทธเจ้าเนี่ยบทจะถามก็ไปถามหมาพรมไม่ใช่ถามเทวดาไปเรื่อยๆจะถึงหมาพรมปิสุเออป่าพรมท่านก็ตําหนิเอา ประการที่ท่านละเลยพระผู้มีพระภาคเจ้าเสียแล้วเกืสแสวงหาในภายนอกเพื่อพยาการปัญหานี้เป็นนั่นท่านทําผิดแล้วท่านจงไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจา้าทูลถามปัญหานี้เถิดโปร่งทรงพยากรแก่ท่านอย่างใดท่านพึงทรงจําไว้อย่างนั้นแหละปิสุนั้นก็หายไปจากพรหมโลกมาปรกากฏข้นหน้าเราเปรียบเหมือนบุรุษที่ผู้มีกําลังเหยียดแขน คู่ออกไปหรือคู่แขนที่เหียดเข้ามาภิกษุนั้นก็กล่าวมาเราไหวเรานั่งนันทิควรส่วนข้างหนึ่งแต่กล่าวว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญมหาพูดพูดทั้งสี่คื อ, อดินน้ำไฟลมย่อมดับไม่มีเหลือในที่ไหนเมื่อเธอกล่าวอย่างนี้แล้วเราได้กล่าวว่าดูก่อนภิกษุเรื่องเคยมีมาแล้ว พวกพ่อค้าเรือหมหาสมุทรจับนกตีรทัศสีคือนกดูฝั่งหรือว่านกยามฝั่งเมื่อไม่เห็นฝังเขาก็ปล่อยนกให้บินไปในทิศ ต, ต่างๆแต่ในที่สุดมันก็บินไปบินมาก็ปรากฏว่าก็ต้องกลับมาที่เรือเพราะว่าไม่เห็นฝั่งแล้รับสั่งบอกว่าเธอก็เหมือนกันนั่นแหละ ก็เที่ยวบินไปเบนโนปิราทัศน์ศรีนี่ยนะแล้วก็ก็กลับมาสู่ฟังล้วสั่งเตือนว่าเธอไม่ควรถามอย่างนี้ในที่สุดต้องมาเราปัญหานี้เธอไม่ควรถามอย่างนั้นแต่ควรถามอย่างนี้ว่าดินน้ำไฟลมย้อนตั้งอยู่ไม่ได้ในที่ไหน เพราะว่าดินน้ำไฟลมเนี่ยมันมาจากเหตุปัจจัยเพรา ะ, ะนั้นแต่ถ้าเหตุปัจจัยมันยังอยู่มันก็ตั้งอยู่ได้แต่ถ้าเหตุปัจจัยมันดับมันก็ต้องดับไปอุปอาทายรูปคือรูปอาศัยอีกยี่บสี่ประการเนี่ยที่ยาวและสั้นละเอียดละยาบงามและไม่งามย่อมตั้งอยู่ไม่ได้ในที่ไหนนามรูป ย่อมดับไม่เหลือในที่ไหนดังนี้ปัญหนานั้นมีพยากรณ์ดังนี้ธรรมชาติที่รู้แจ้งแสดงไม่ได้ไม่มีที่สิ้นสุดแจม่มใสโดยประการทั้งปวงซึ่งหมายความว่าเป็นสัมมาญาณ น, นะฮะคือกวความรู้ตัวความรู้หรือญาณนะทัศนะหลังจากทำลายวิชาแล้ว จิตก็ปราศจากสัรพกิเลส ท, ที่มีชื่อต่างๆมันก็มีความแจม่มใสมีความปร่งใสที่สมบูรณ์เพราะฉะนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้ไ อ, ไอ้ดินน้ำมลไฟอากาศเนี่ยก็ตั้งอยู่ไม่ได้ในธรรมชาตินี้อุปาทายรูปคือรูปอาศายัยมหาปูตรูปย4ประการเนี่ยไม่ว่าจะอยู่ในสภาพใดก็ตาม ปูนี้ก็ตั้งอยู่ไม่ได้ในทีน่นี้วิญญาณดับและนามรูปนั้นย่อมดับไม่มีเหลือในธรรมชาตินี่นี่ก็หมายความว่าการดับของหมาผูต ร, รูปสี่ซึ่งเราจะเห็นว่าที่จริงเขาเป็นอัปยากริตนะฮะคือเป็นกลางกลางไม่ดีไม่ชั่วอะไรแต่มันก็เป็นรูปคือมันเป็นกลุ่มของนามรูป ถ้าเรามองจากหลักของปฏิจจสมบาทแล้วเราก็จะเห็นชัดว่าตัวเหตุใหญ่ก็คือวิชารับใดที่วิชายังอยู่ในสังขารคือบุญบาปตลอดถึงกุศลระดับอเนินชาคือรูปฌานก็ต้องดำรงอยู่แต่ทีนี้ถ้าอาวิชามันดับ ในพวกสังขารอภิสังขารเนี่ยคือบุญบาปปณิจจาก็ดับประดับวิญญาณก็ดับทีนี้ดินน้ำไฟลมเนี่ยที่บาลีเรียกว่าดินน้ำไฟลมมันเป็นรูปซึ่งต้องอาศัยองค์ประกอบสามประการจึงจะเกิดขึ้นมาได้ ข้อคือคือกิเลสกรรมวิบากหรือว่าอาวิชชาสังขารบิญญาณแต่ทีนี้พอพวกสามข้อไม่มีแกก็ตั้งอยู่ไม่ได้แกก็เกิดขึ้นไม่ได้แกก็ตั้งอยู่ไม่ได้แกก็ดับไปโดยไม่เหลือในอะไรละ่ะในอรหัตมักนั่นเองถ้าเราเรียกตามโครงสร้างของ ทิฏฐิเขาเรียกว่าตัมมายานะคือความรู้ในทางที่ชอบมันก็เกิดขึ้นอย่างที่ปุจจารับสั่งแก่ท่านปัญญวคีว่าก็แลยานได้บังเกิดขึ้นแล้วแก่เราว่าอายมันติมาญาติชาตินี้เป็นชาติสุดท้าย นัทถีดานิปุนัพูจากนี้เป็นต้นไปเนี่ยพบใหม่ไม่มีอีกต่อไปนี่คือเราจะเห็นว่าอะไรก็ตามเราถ้าไม่มองถึงปัจจัยประกอบร่วมเนี่ยเราจะแก้ปัญหาไม่ได้เป็นเรื่องที่น่าเสียดายว่าสังคมไทยเรา เรียนอริยสัจสีมาตั้งแต่น้นตั้งแต่ปอปหนึ่งะเรีรู้อริยสัจสีตั้งแต่ ป, อ, ปอหนึ่ ง, นะตต ง, แ, ตงแต่ไม่สามารถนำเอาหลักเอาโครงสร้างเอาแม่บทคืออริยสัจสีเนี่ยมาเป็นตัวตั้งในการเทียบเคียงกับเรื่องอะไรก็ตามแล้วเราได้บทสรุปว่าไอ้ธรรมทั้งหลายได้มันเกิดมาจากเขต มันจะเกิดขึ้นมันจะตั้งอยู่มันจะดับไปเพราะเหตุนี่เป็นประการสาคัญเตุได้ตั้งอยู่เหตุให้เกิดขึ้นเหตุได้ตั้งอยู่เหตุได้ดับไปมันมีอยู่การเกิดขึ้นการตั้งอยู่การดับไปมันก็มีก็มันตลอดนั่นแหละแต่ถ้าเหตุมันดับการเกิดขึ้นก็ไม่เกิดเมื่อวิชาดับเมื่อวิญญาณดับไอ้นามารูปมันก็ดับ จริงถ้าเราพูดจริงๆน้ำรูปมันไม่เกิดนะเพราะมันไม่มีที่ให้เกิดแต่ว่าพูดง่ายๆว่าน้ํารูปก็ดับเมื่อน้ำรูปดับอายตนาก็ดับไอ้พวกนี้รูปทั้งนั้นนี่ยนะฮะไปในรูปทั้งนั้นนี่ก็คือหลักการสําคัญในทางพระพุทธศาสนาว่า เมื่อหาสาระจริงๆในมุ่งที่จะให้คนเขาลดละกิเลสไม่ช่มุ่งไปเล่นปาหีอยู่ข้างนอกคือมันไม่ได้ช่วยอะไรขึ้นมาหรอกแต่ว่ามันเป็นเครื่องมือแน่นอนเราบางครั้งบางคราวเป็นเรื่องจะต้องกำราบใช้ริดกำราบริดมันก็ใช้ ในกรณีที่ทรงแสดงยมกปฏิหารก็ฤทธิ์กำราบฤทิทรงแสดงปฏิหารเมื่อทรมานพวกปุราณะชิดดินมีรู้เวลากัรสะบัเป็นต้นก็ทรงใช้แบบฤทธิ์กำราบฤทิ์แต่ว่าใช้ในกรณีที่จําเป็นต้องใช้ไม่ได้หมายความมาใช้พร่ําเพื่อใช้ไปเรื่อย แต่บรงทุกครั้งที่ทรงเทศเนี่ยเราจะเห็นถึงว่าปาฏิหารมีทั้งสองอย่างนั่นแหละคือการรู้ใจรู้ภาวะจิตของคนเพื่อวางําใม้สดรับกับภาวะจิตของคนอาการของกิเลสมันเป็นอย่างนี้แหละแล้วใช้ธรรมะข้อไหนไปดับกิเลสตรงนี้มันก็แล้วแต่คือถ้าเรามองดูคล้ายๆคนฉีดน้าดับไฟอะ มันก็อยู่กับสภาวะของไฟสภาพของไฟในขณะนั้นไฟมากไหมก็เปิดน้ำจะเต็มที่เลยไฟนิดเดียวมันก็ลดจุดที่เราจะเปิดเปิดฉีดน้ำไปนิดเดียวมันก็ดับแล้วอันนี้เป็นเรื่องที่ส่งยักษย้ายเปลี่ยนแปลงไปให้เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพทางจิตของบุคคลเหล่านั้นเป็นประการสำคัญ รือต้องใช้ทุกๆกล่าวในการเทศต้องฟังทั้งหลายเสียงธรรมจากมหาวิทยาลัยศรีประทุมในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไพยบูรในธรรมจงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยโทั่วกันสวัสดี